คือแปลว่าเว้นใจตัวเองได้เว้นกิเลสในใจของตัวเองได้มีความอดทนเอาไว้ไม่ปล่อยกิเลสออกไปให้เป็นกรรมที่เป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน ประกอบด้วยใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนวางใจลงไปให้เป็นอุเบกขาให้ได้คือทำตนมัธยัสเป็นกลางไม่ยอมให้ฝ่ายยินดีหรือยินร้ายดึงออกไปดังนี้ก็เป็นการบำเพ็ญบารมี เวลาโกรธขึ้นมาก็ปฏิบัติดับโกรธให้ได้ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีกันอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งโลภอะไรขึ้นมาเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่สมควรก็ปฏิบัติดับโลภได้ดับได้ทีหนึ่งก็เป็นการเพิ่มบารมีขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น ยังสามารถที่จะบำเพ็ญบา ร, รมีหรือความดีได้ในทุกโอกาสได้ในทุกขณะได้ในทุกสถานที่ในบา ร, รมีที่บำเพ็ญ น, นี้เองก็จะเป็นความดีที่สั่งสมทําให้เกิดพลังของบา ร, รมีแรงขึ้นเมื่อพลังของบา ร, รมีแรงขึ้นพลังของอาสวะของกิเลสก็จะลดลงไป ดังคนที่เป็นคนขี้โกรธเมื่อปฏิบัติดับโกรธอยู่เสมอในทีแรกจะรู้สึกว่าดับยากต้องใช้ขันติจงใช้สติต้องใช้ปัญญาพิจารณาต่างๆแล้วความโกรธก็จะดับไปได้ แต่ว่าก็ลํลำบากก็อึดอัดบางทีดับไม่ได้แต่ว่ากเก็บไว้ในใจก็ทําให้เกิดความอึดอัดฮึดฮัดดังกิริยาของความโกรธแต่ความอึดอัดฮึดฮัดนั้นก็นับว่ายังดีกว่าที่จะไปทาร้ายใครยังเก็บเอาไว้ได้ในใจ แต่ว่ายังดับไม่ได้จึงทำให้เกิดกิริยาคึดผัดคิอพัดอย่างที่กล่าวมานั้นแต่ว่าเมื่อใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความรู้จักตัวความโกรธโทษของความโกรธถนัดขึ้นและหัดปฏิบัติหัดแผ่เมตตาประกอบช่วยอีกด้วย ก็จะทำให้ดับโกรธดันลงไปได้ลดลงไปได้และเมื่อทำบ่อยๆการที่จะปฏิบัติด้านก็จะง่ายเข้าไปโดยลำดับจนถึงก่อนที่จะปฏิบัตินั้นถ้าไปกระทบ เรื่องเช่นนั้นเข้าแล้วก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เมื่อปฏิบัติอบรมจิตให้เข้าที่ตามสมควรแล้วก็จะรู้สึกเฉยเฉยได้ไม่เกิดความโกรธขึ้นมาก็แปลว่ากำลังของบารมีคือความดีส่งขึ้นทั้งนี้ก็ต้องเกิดจากการที่ปฏิบัติบ่อยๆทาบ่อยๆโดยที่ชวยโอกาส จากเหตุการณ์ทั้งหลายอันมันเกิดขึ้นแก่ตนเองนี่แหละโดยรอบในวันหนึ่งวันหนึ่งมาอบรมให้เป็นบารมีขึ้นมาให้เป็นทานขึ้นมาเป็นศีลขึ้นมาเป็นเนคขมักขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นต้นในเรื่องนั้นๆสุดแต่ว่าเมื่อเรื่องใดมันเกิดขึ้น ข้อใดอันเหมาะสมที่จะนำมาใช้ก็นำมาใช้รือหลายข้อด้วยกันดังนี้ก็จะเจริญกุศลกรรมเจริญบุญเจริญบารมีแต่หากว่าไม่ใช้ดังนี้แล้วก็จะเจริญบาปเจริญอกุศลนั้นลงกันข้ามเป็นการเจริญอาสวะคนโดยมากนั่น มักจะไม่ได้คิดดังนี้เพราะฉะนั้นจึงชอบที่จะปฏิบัติเป็นการเจริญอาสวะกันเสียโดยมากโดยที่น่าคิดว่าขาดปัญญาในตัวเองที่เป็นพื้นฐานและแม้มีปัญญาเป็นพื้นฐานมาแล้วก็ประมาทปัญญานั่น ไม่นำปัญญานั้นมาใช้ให้บังเกิดเป็นประโยชน์เพระฉะนั้นหากไม่ประมาทปัญญาที่มีเป็นพื้นฐานนำปัญญานั้นมาใช้และเพิ่มพูนให้มากขึ้นก็จะเป็นเหตุให้ได้บำเพ็ญบารมีคือความนีเพิ่มขึ้นทุกวันแทนที่จะเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลเพิ่มอาสอาวะทั้งหลาย ดังนี้คือการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันทุกวันดังนี้เองย่อมให้เกิดโมขะคือความหลุดพ้นไปทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันคือเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสจากบาปจากพุศโจากอาสวะทั้งหลายเพราะฉะนั้น การปฏิบัติเพิ่มพูนความดีอันเรียกว่าบารมีจึงเป็นข้อที่ควรทำได้มีพระราชดิพลในราชการที่สี่ได้ทรงแสดงโมกขุปายะคืออุบายวิธีที่จะให้เข้าไปถึงความพ้น จากความชั่วพ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์อันรวมเรียกว่าโมคคะโดยที่ได้ทรงแสดงคาถานมัสการวัตถุทั้งสามอันสูงสุดคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์ จึงได้ทรงแสดงโมฆู ป, ปายะอุบายวิธีสำหรับที่จะให้บรรลุถึงโมฆะคือความพ้นไว้แกสัตว์บุคคลทั้งหลายซึ่งล้วนมีชีวิตร่างกายต้องเน่าเปื่อยผุพังสลาย เหมือนกันหมดโดยที่ตรัสยกเอาปาริสุทธิทศีลทั้งสี่อันได้แก่ปาฏิโมกขสังวรศีลสีลคือความสำรวมในพระปาฏิโมกอินรียัสังวรความสำรวมอินรีอาชีวะปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์แห่งอาชีพและความที่พิจารณาปัจจัยทั้งสี่บริโภคอันนับว่าเป็นศีลอีกข้อหนึ่งที่อาศัยปัจจัยแม้ว่าบาริสุทธิศีลทั้งสีน่นี้จะแสดงไว้สำหรับภิกษุโดยตรง สำหรับเครือขัดก็สามารถปฏิบัติได้โดยที่ปาริสุทธิ์ที่ศีลทั้งสี่นี้ย่อมผ่อนลงได้แกพูปฏิบัติภาวะของตนดังข้อหนึ่งปาฏิโมกขสังวรความสํารวมในประปาฏิโมกโดยตรงสำหรับภิกษุก็คือสํารวมในศีลสองยี่สบเจ็ด อันเป็นศีลที่เป็นหลักสำคัญแต่ว่าสำหรับบุคคลทั่วไปนั่นก็จำเป็นที่จะต้องมีศีลอันเป็นหลักปฏิบัติของตนอยู่ด้วยกันเพราะว่าศีลนั่นเป็นความประพฤติที่เหมาะที่ถูกต้องทางกายทางวาจา โดยจิตใจที่ประกอบด้วยความสำรวมระวังทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบปฏิบัติตนกติกาสาหรับปฏิบัติวินัยสาหรับปฏิบัติอยู่ด้วยกันทางนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตอนอยู่ในภาวะเช่นใดควรจะต้องปฏิบัติ ในอาจาระมัญญิทางกายทางวาจาอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นให้เหมาะสมตลอดจนถึงปฏิบัติในศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับบุคคลทั่วไปเช่นศีลห้าและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ชื่อว่า ในปฏิบัติในศีลข้อที่หนึ่งนี้ได้ข้อที่สองความสำรวมอินทรีย์นั้นต้องปฏิบัติได้กันทางนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือหัตคือความที่มีสติคอยรักษาใจในขณะที่ตาได้เห็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงอะไรจมูกได้ทราบกลิ่นอะไรลิ้นได้ทราบรสอะไรกายได้ถูกต้องสิ่งสิ่งถูกต้องอะไร ใจได้คิดได้รู้เรื่องอะไรระวังที่จะมิให้อารมณ์เหล่านั้นมาก่อกิเลสไหลเข้าสู่ใจเป็นความยินดีความยินร้ายทั้ทงนี้โดยที่มีสติกำกับเหมือนอย่างกำกับตากำกับหูจมูกลิ้นกายและกำกับใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมให้วิ่งไปยึดถือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นด้วยอำนาจของกิเลสหรือเข้ามาก่ อ, อ ก, กิเลสอยู่ในใจของตัวเองมีสติคอยระมัดระวังใจอยู่เสมอที่จะไม่ก่ อ, อ ก, กิเลส ข, ขึ้นเพราะเรื่องที่เห็นทางตาทางหูเป็นต้นดังกล่าวมานี่เรียกว่าเป็นความสมรู้อินทรีย์ทุกคนต้องมีทั้งนั้น และเมื่อปฏิบัติอยู่ก็จะทำให้จิตใจนี่มีความสงบมากขึ้นลดความวุ่นวายมากขึ้นและอาชีพที่บริสุทธิ์นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญกับการพิจารณาผ้านุงหม่มอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้ไขเป็นต้น ที่จะบริโภคใช้สอยให้สำเร็จประโยชน์สำหรับบำรุงชีวิตละร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญทางนันเพราะฉะนั้นศีลทั้งสีน่นี้จึงเป็นข้อที่พึงปฏิบัติทั้งบัะชิตทั้งฤๅษตีต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมน ม, มัสการพระภูมิพระภาคอารหันตสมาสมุทิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์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 การอบรมจิตเป็นกิจสำคัญแห่งภูปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นภิกษุสมณนไม่ว่าจะเป็นครูขัดชายหญิงทั้งปวงเพราะว่า จิตนี้เป็นความสำคัญมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติกระทำทุกอย่างเป็นเบื้องตน้น ของกรรมคือการงานที่ประกอบกระทำถ้าจิตร้ายใจร้ายก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมที่ร้ายต่างๆถ้าจิตดีใจดีก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรม ที่ดีงามต่างๆเพราะฉะนั้นกิตภาวนาการอบรมจิตจึงหมายถึงการอบรมจิตให้ละเว้นให้สงบ อารมณ์และกิเลส ท, ที่ชั่วร้ายทั้งหลายแต่ให้ตั้งอยู่ในธรรมะที่เป็นคุณงามความดีต่างๆอันตรงกันข้าม การปฏิบัติธรรมะในพุทธะแม้ว่าจะเป็นขั้นตน้นก็ต้องอาศัยจิตที่สงบที่ดี ด้วยการทำจิตนี้ให้สงบให้ดีประกอบไปด้วยแม้ว่าการปฏิบัตินั้นจะปรากฏทางกายทางวาจาดังที่เรียกวศีลที่ อธิบายกันทั่วไปว่าเว้นจากความประพฤติชอบประพฤติผิดทางกายทางวาจาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งใจเสียได้ต้องมีจิตใจตั้งใจ ที่จะงดเว้นและจะต้องมีจิตใจเป็นศีลกายวาจาจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ถ้าแสดงกายวาจา ว่างดเว้นได้แต่จิตใจไม่สงบยังมีความคิดฟุง้งซ่านยังมีความอยากต้องการที่จะทำโน่นทำนี่อันเป็นการผิดศีลก็ชื่อว่าใจยังไม่เป็นศีล และหากว่ากุตุนละเจตนาหย่อนลงไปหรืออารมณ์อันเป็นเครื่องยั่วย่าจิตแรงขึ้นก็จะทำให้ละเมิดศีลได้ดังที่เรียกวัดศีลขาด ศีลเป็นท่อนเป็นช่องศีลด่างศีลพร้อยเป็นอันยังไม่ได้ศีลวิสุท ธ, ธิความบริสุทธิแห่งศีลฉะนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีจิตภาวนาการอบรมจิตวิธีหนึ่งสำหรับที่จะใช้อบรมจิตเรียกว่าอารักกกรรมฐานคือกรรมฐาน ที่ควรรักษาเป็นประจำเพราะว่าจิตนี้ที่ยังไม่ได้อบรมก็มีกิเลสมีอารมณ์อยู่เป็นประจำ ถ้าหากว่าไม่มีกรรมฐานมาเป็นประจำบ้างอารมณ์และกิเลสก็จะจูงจิตไปในทางชั่วทางผิดได้โดยง่ายแต่ถ้าหากว่ามีกรรมฐาน มารักษาจิตเอาไว้ตามสมควรกรรมฐานที่รักษาจิตไว้นี้ก็จะช่วยรักษาบุคคลมาใหต้ตกไปสู่อำนาจของอารมณ์และกิเลสได้โดยง่าย อารักกรรกรรมฐานกรรมฐานที่ควรรักษาไว้เป็นนิดนี้ข้อหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าข้อสองเมตตาแผ่จิตออกไป ด้วยความใคร่ความปรารถนาสุขประโยชน์แก่บุคคลแก่สัตว์ทั้งหลายข้อ3อัอสุภะพิจารณากายนี้ ว่าไม่งดงามและข้อสมรณะสติระลึกถึงความตายข้อหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าในทางปฏิบัติ ที่เป็นกรรมฐานก็คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา้าตามบทที่สวดกันว่าอ ah ิติปิโสภะกวาอระหังสมาสัมพุทโธเป็นต้นอัน มีคำแปลว่าแม้เพราะเหตุนี้พระภูมิพระภาคเป็นพระอระหันตะสมาสัมพุทธเจา้าคือเป็นพระภูไกลกิเลสภูตรัสรู้ชอบเองตอน อันเรียกว่านวมหรัคณคือคุณของพระพุทธเจา้าเก้าประการนวมหรัคณนี่ย่อลงก็เป็นสามประการ ดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่าบุตรโธสุสุโทโธกรุณามหันโวอันแปลว่าพระภูมิพระภาค้าทรงเป็นพระพุทธโธคือพระภูตตร์จะรู้แล้ว อันแสดงถึงพระปัญญาคุณสุสุสโธ ท, ทรงเป็นภูบริสุทธิ์แล้วอันแสดงถึงพระวิสุทธิ์ที่คุณกรุณามหันโโวมีพระกรุณาดังห้วงทะเลหลวงอันแสดงถึงพระกรุณาคุณก็คือย่อลง เป็นพระปัญญาคุณเราวิสุที่คุณพระกรุณาคุณก็ตั้งใจและลึกพิจารณาในพระคุณของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งในเก้าบทก็ดีย่อลงเป็นพระคุณทั้งสาม ดังกล่าวแล้วนี้ก็ดีหรือว่าจะพิจารณาระลึกถึงประคุณดังที่ท่านแสดงไว้อย่างอื่นเจนระลึกว่าพระพุทธเจ้า ทรงเป็นภูมีประสัดานแห่งธรรมอันบริสุทธิ์แล้วและที่เรียกว่าพระพุทธพระพุทธก็เพราะตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยม เพราะประกอบเวนไนยนิกรไว้ในธรรมะเพราะทรงปลุกให้ตื่นจากความหลับคือกิเลส มีความหลงเป็นต้นดังนี้ก็ได้ซึ่งก็รวมเข้าในพระปัญญาคุณในพระวิสุทธิคุณในพระกรณกรุณาคุณนั่นเองและเมื่อได้ตั้งจิตระลึก ถึงประคุณของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้ได้รับความเลื่อมใสความผ่องใสแห่งจิตใจทำให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อ